ด้วยคุณธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาสจจมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านผู้นับศึกษาธรรมทั้งหลายวามจริง การฟังทำท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วและเข้าใจว่าทุกๆ ท, ท่านคงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะพอสมควรในครั้งก่อนนั้น จะอธิบายถึงเรื่องการทำสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นท่านเป็นพระเถระ ท, ที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ของภาคอีสานบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เต๋ออาจารย์มั่นเป็นคนเมืองไหนอาจจะมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยยอ่อๆท่านอาจารย์เตา๋าและท่านอาจารย์มั่นเป็นชาวเมืองอุบลโดยกาเนิด พ่นาจารเ์เสาเกิดที่อำเภอเมืองท่านาจาร์มั่นเกิดที่อำเภอของเกี่ยมทั้งสองท่านนี้ในเมื่อได้มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมวินยัยเพียงแค่การให้รู้หลักธรรม อันเป็นหลักการปฏิบัติในทางด้านจิตโดยตรงคือเรียกว่าท่านเรียนเป็นกรรมฐานโดยตรงในตอนแรกๆและทุดงกรรมฐานในสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจเท่าไหร่นักจะเป็นปัเหตุใดนั้นไม่ขอนำมาเล่า <c oughs> ได้จะกล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติของท่านเช่งท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติสมาฐานเริ่มต้นด้วยบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่คําว่าพุโทโธอย่างเดียวเพราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้น เป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นคู่ของใจซึ่งคู่บริกรรมนั้นจะต้องนึกในคำใดคำหนึ่งคำซ้ำสักๆจนกระทั่งทำจิตให้ติดอยู่ในคำบริกรรมภาวนานั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้น <c oughs> ขอเพราะเหตุว่า โดยธรรมชาติติดของคนเดานั้นยอมจงกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆสุดแท้แต่อารมณ์นั้นๆจะผ่านเข้ามาในทางตาหูสมบลิ้นกายแหลกใจในเมื่ออารมณ์นั้นๆผ่านเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะจูงใจให้ไปเกิดความยินดีความยินร้าย เรือความพอใจไม่พอใจสุดแท้แต่อารมณ์จะจูงให้เป็นไปและการรับรู้อารมณ์ของจิตนั้นย่อมมีอันเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพียงแค่เวลาประเดียวเดียวเท่านั้นเรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ทวนดังนั้น อุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆสักๆก็เพื่อจะให้จิตอยู่กับคํามำพี่นขณะนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่นจะจดต้องอยู่เฉพาะที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียว แต่การที่จะทำให้จิตจดจ้องอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนักเพราะว่าโดยปกติจิตของคนเราย่อมส่งกระแสไปสู่อารมณ์ต่างๆนับไม่ถ้วนการที่จะทำจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาที่เราต้องการนั้น ใครจะพูดถึงการภาวนาจะให้ได้ผลกันจริงจังแทบจะไม่มีคำอะไรที่จะต้องมาอธิบายสู่กันฟังนอกจากจะตั้งใจนึกบริกรรมภาวนากันอย่างจริงจังใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คำว่าพุโทโธอย่างเดียว เราจะใช้คำเองก็ได้เพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้โปรดอย่ามีความเครือบแคลงสงสัยใดๆในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริง หรือหลักว่าภาวนาให้มากๆและทําให้ชานิชำนานเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะกระทาให้มากๆทําให้ชานิชำนานทําไม่หยุดแต่ไคสามารถที่จะตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้วันละสามหรือสี่ครั้ง แต่ละครั้งให้เด็กครั้งละหนึ่งชั่วโมงใครสามารถที่จะทำได้รับรองว่าจิตสงบอย่างแน่นอนแต่นี่เรายังทำไม่ถึงพอทำไปนิดหน่อยเกิดทุกเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียถ้าหากเราภากเตียนพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆ แล้วก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทาจิตให้สงบได้อาจจะมาได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าท่านทั้งหลายคมจะได้ศึกษาธรรมะแต่มีความรู้ความเข้าใจกันมากมายพอสมควรดังนั้นณนะโอกาสนี้เจงใครที่จะขอเตือนท่านทั้งหลาย ให้ตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามที่ตนจำนิชนานมาแล้วอย่างไราหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของตัวเองว่าบัดนี้ท่านจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ เคยจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วไปนึกในใจของตัวเองว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็น้อมใจเลื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยะสงฆ์ก็อยู่ที่ใจ แล้วกำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นเนกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะมีอาการสงบลงไปให้ซึงสังเกตจิตของตัวเองให้ดีถ้าจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มลงไปคล้ายๆกับจะง่วงนอน ไปจนรู้เถิดว่าจิตของเรากําลังเริ่มจะสงบแล้วเพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้นจะว่าการอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะเมื่อจิตเร่สงบก็มีอาการเคลิ้ ม, มแล้วก็วูบลงไปพอวูบลงไปพอหยุดเว้าแล้วจิตจะนิ่ง ในเมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าหากว่าจิตจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิภาวบลงไปนิ่งแล้วจิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมาซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่านก็รู้สึกว่า มีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ค่อยก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยไม่มีกาอาการมูกว่าบจนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งลงไปถึงขั้นอัปปน า, าสมาธิแต่ส่วนมากในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนานั้น เมื่อจิตมีอาการเคลิ้มเคลิมมสงบลงไปสว่างขึ้นแล้วคำบริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นจะหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงคำบริกรรมภาวนาอีกในตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเอง ถาหาจิตมีอาการสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆก็กำหนดรู้ลงที่นั่นอย่างเดียวแต่ถ้าในช่วงนั้นลมหายใจปลากบขึ้นในความตูวสิกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจเพียงแต่รู้เท่านั้นอย่าไปเลืกคิ่อะไรทั้งนั้น ลมหายใจสั้นก็ไม่ส้องว่าลมหายใจยาวก็ไม่สัองว่าลมออ ก, ก, ออก pues สันก้น ก, ก็ไม่ว่าลมออกยาวก็ไม่ว่าลมเข้าสั้นก็ไม่ว่าลมเข้ายาวก็ไม่ว่าเป็นแต่เพียงกำหนดรู้ลมหายใจอยู่โดยธรรมชาติแล้วจะไปแต่งลมหายใจเป็นอันขาดในช่วงนี้เพียงแต่กำหนดรู้อยู่เท่านั้น ถ้าหากว่าเรากาหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าหากลมหายใจแสดงอาการเป็นไปต่างๆเช่นลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้นหรือหายใจแผ่วเบาลงไปหรือบางครั้งอาจจะจะมองเห็นลมหายใจสว่างเหมือนกับปุยนุ่นก็ให้กาหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว รวมความว่าอะไรเกิดขึ้นภายในความรู้สึกก็เพียงแต่กำหนดรู้เ อ, อยอย่อย่าไปทำความเอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆถ้าเราไปทำความเอกใจหรือไปทับทวงสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจะถอนจากสมาธิทันทีเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้ยูเฉย ในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวสติสัมปชัญญะจะค่อยมีกำลังกล้าสุดสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัตินี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพึ่งทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้น ไม่วิ่งเข้าไปเย็ดลมหายใจก็ย่มจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในไม่ส่งกระแสคว า, ามรู้สึกออกไปข้างนอกในช่วงที่จิตมีคว า, ามสงบสว่างอยู่นั้นแล้วภาพในเมตต่างๆจะปรากฏขึ้นจะเป็นภาพอะไรก็ตามเมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้น อย่าไปทำความเอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอกถ้าหากเราสามารถประครองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเิตก็จะสงบริ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอกใจขึ้นมาเมื่อไรแล้วสมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไป ในตอนนี้มีความสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพมิมิตต่างๆเป็นสิ่งอื่นมาแสดงให้เรารู้เราเห็นบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นอย่างเห็นภาพผีเปรตหรือเทวดาเป็นต้นบางท่านอาจจะคิดว่า ตึงทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็เป็นนึกแท่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิต ท, ทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าใดนักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้โดยสาคัญว่า ภาพนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะจนบรนดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แล้วบางทีเราอาจจะเผลอไปน้อมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราแล้วสภาพจิตของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพสีสิ่ง ในถ้าหากเราไปสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพในิมิดของผู้ที่เขาเราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปลากรกายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพในเมิดนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจจิตว่า สิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่นในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิตหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนส่งไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆการภาวนาหรือการทําจิตเนี่ย เราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดนบันดาลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมัชชภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาล ราฉะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะในนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทําความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอกใจหรือไม่ไปสําคัญว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมาโดนบันดาลให้เรารู้เราเห็นทำความรู้สึกว่าภาพนนมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานั่นแหละเป็นพวกปรงแต่งขึ้นมา เพราะเรามีความสําคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็นในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นก็จะสงบเคลิมเคลิมลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจาระสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนะักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาถ้าหากเราสามารถที่กําหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สําคัญมั่นหมายในนิมิตนั้นๆ เราก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าภาพนิมิต จ, จะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่สิตแล้วภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นจะแสดงปติกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควร ก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตนั้นๆเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอสุภะ ร, รมฐารเรื่องธาตรสมฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถทาให้สติสัมปชัญญขขะญญของเราดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้ว จิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ปัญหาเรื่องคําว่าอัปปนาสมาธินั้นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตหรือเอกรักษาจิตนั้นไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้จึงอยู่ผู้ปฏิบัติในขั้นตน้น จะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบลงไปเร่งอยู่ในความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาในช่วงต้นๆ น, นี้จิตอาจจะไม่สามารถบรรดาลให้เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้น เคยพิจารณากรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนทานิกทำนานด้วยการน้อมนึกคิดแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็สามารถที่จะบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิได้สองตอนตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งอยู่ได้อัปปนาสมาธิ ถ้าอยู่เป็นสมาธิในขั้นฌานจะไม่สามารถเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเพ่งอยู่ในจุดจุดเดียวแต่ถ้าหากว่าจิตที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วกว็ดีหรือเคยพิจารณาอาสุภากรรมฐานมาแล้วกว็ดีเคยพิจารณาธาตุกรรมฐานมาแล้วกว็ดี เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจิตถอนตัวออกจากร่างแล้วก็ส่งกระแสมารู้เรื่องของร่างกายจิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆจะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความสงบนิ่งเฉยสว่างเด่นอยู่ และกายที่มองเห็นในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงปฏิจิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมาฐานมาจนคานิชคำนานด้วยการน้อมนึกเจตก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภกรรมาฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอื่น แล้วก็มีน้ําเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นจิ้นจิ้นแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจุนวิจุนไปแล้วก็หายไปในที่สุดยังเหลือแต่ความว่างในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถที่จะก่อตัวรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะเกิดมีเนื้อมีหนัง กลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างโดยสมบูรณ์อย่างเก่าจะไม่อาการเป็นไปย้อนกลั บ, ลบไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากสมาธิและในขณะที่จิตรู้เห็นนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกายคือไม่ได้เกี่ยว คล่งกับประสาท ส, ส่วนตาเป็นความรู้ความเห็นของจิตล้วนๆแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจรารณาธาตุสมถานก็จะมองเห็นร่างกายเนี้ย่ยแหลกลายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่างถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจรารณา วิปัสสนากรรมาฐานเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วแล้วจิตก็จะมีนิมิตอะไรขึ้นมาสุงเซ้งสุดแท้แต่จิตจะปรุงขึ้นมาแต่ความปรุงแต่งในขั้นนี้ กับสิ่งที่จิตกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นคล้ายๆกับว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกได้เป็นคนละส่วนสิ่งที่รู้นั่นก็แยกอยู่ส่วนหนึ่งตัวผู้รู้คือจิตนั่นก็อยู่อีกส่วนหนึ่งและส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลักษณะแห่งพระใจรักคืออนิจจังทุขังอนัตนั้น ก็จะมีอันแสดงไปเองถ้าท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการแสดงอย่างนั้นใครเป็นผู้แสดงก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวปัญญาความรู้ในเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความรู้เท่าเอาทันด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้จิตก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่ง แต่ตัวผู้รู้คือจิตนั้นแยกอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งในตอนนี้เราจะเรียกว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกกันออกเป็นคนละส่วนก็ได้อันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนาหรือในขั้นพิจารณาอสุภาพกรรมฐานธาตุกรรมฐาน หรือพิจารณาพระใจรักในขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกว่าขั้นวิปัสสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพ่งทำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละเป็นแต่เพียงแค่ว่าจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้น แล้วจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้หรือไม่อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเริ่มต้นแต่อุปจาระสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิในลักษณะที่จิตนิ่ง อยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นในจิตมีการสงบนิ่งมีลักษณะนิ่งและสว่างสวัยอยู่ภายในความรู้สึกอย่างเดียวความรู้อื่นๆไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความเป็นเช่นนั้นแล้ว มาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติที่ตลาดก็ใวยโอกาสนั้นกำหนดรู้ความคิดของตนซึ่งเกิดขึ้นเจตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เจตอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิภาควิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติม เป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้รู้โลอยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งใดดับไปก็รู้